เทศอบรมพระวันที่เก้าเดือนม ก, กราคมพศ2521นี่พูดสม่ำเสมอดีฟังอัดได้ทั่วไปเทศสั้นการพูดการเทศนาด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมพูดด้วยความอาฐหารศาสนาจริงทรรมจริงกับศาสนาบอกเล่า ทาบอกเล่านั้นต่างกันมากเรียนสั่งสมกิเลสก็มีเพื่อแก้กิเลสก็มีจงมองดูจิตอันเป็นที่สถิตของธรรมและเป็นที่สั่งสมกิเลสกิเลสไม่มีคุณค่าแก่ใจแม่น้อยธรรมต่างหากเป็นเครื่องส่งเสริมใจให้ดีและดีเยี่ยมมรรคผลนิพพานอยู่กับข้อปฏิบัติ มิได้อยู่กับการสถานที่ถีงแล้วู้ใ่ญ่ในบรรดาที่แสดงออกมาเป็นที่แน่ใ จ, ใจแก่ผู้เ่อผู้สอนไม่มีความสนใจในการแสดงออกมาเพระฉะนั้นผู้ฟังจึงได้ผลได้ผลูกเต็มกำลังของตน เหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเราอยา่างัทเจิแต่เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่ได้รู้ได้เห็นด้วยตาดีหเห็นจนิงนำสิ่งนั้นเริ่มนั้นมาพูดย่อมพูดได้อย่างอาจทางพูดได้ตรงกับความจริงมั่นที่กวได้ดยินคำบอกเล่ามาพูดทารมของพระพุทธเจ้ามาสมัยปัจจุบันนี้ เป็นศาสนาบอกเล่ามาแล้วเป็นธรรมบอกเล่าเพียงบอกเล่ากันมาลเลยหาผู้รู้ความจริงไม่มีเพราะฉะนั้นถึงธรรมแม้จะมีน้ำหนักมากเพียงไรตามหลักธรรมช า, า, า, า, า, าติั้งธันมก็ตามต่อาศัยผู้นำมาไม่แน่นอนภายในปิตใจออกมาแสดงเรื่องความไม่แน่นอนนั้นจะให้ผู้ฟังแน่นอนได้อย่างไรนะอยู่ที่ตรงนี้ ผู้สแสดงก็ไม่แน่ใจผู้ฟังจะเอาความแน่ใจมาจากไห น, นผลแห่งความไม่แน่ใจทั้งผู้เทศผู้ฟังก็คือไม่ได้ผลเท่าที่ควด น, นั่นเองเลยกลายเป็นเรื่องเทศเป็นพิธีฟังเป็นพิธีไปเสียทั้งพุทธการท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเ ท, เทศก็ดีพระสาวกเทศก็ดีเทศถอดออกมาจากใจที่รู้จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเป็นเค่นั้นผู้ฟังก็ถึงใจเพราะเทศอย่างถึงใจเพราะรู้ความจริงอย่างถึงใจการเทศจะไม่ถึงใจได้อย่างไรเทศมากเทศน้อยขนาดไหนลึกตื้นหยาบเพียงไรก็ อ, ออกมาจากความรู้แล้วสินะทุกอย่างผู้ฟังจึงได้รับผลรับประโยชน์เป็นความหนักแน่นภายในจิตใจขณะที่ฟังมีตางกันดังนี้ มันมาข้างพุทธการกับสมัยทุกวันนี้ต่างกันอย่างไรคือต่างกันตรงนี้เองฟังว่าตัวคาธรร จ, จกักแล้วชอบแล้วผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังหนักหนักตรงนั้นรู้ชอบตามหลักฐามันแล้วยังถ้าปฏิบัติไม่ชอบรู้ไม่ชอบเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยความชอบทำได้อย่างไรผู้ฟังจะได้รับผลนั้นได้รับประโยชน์ให้เต็มไม่เต็มหนึไ่ได้ เป็นไปไมนะ่ได้ข้าขอให้ทุกองค์ทุกท่านดนตัณ ง, งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความจริงภายในตนเองดังพระพุทธเจ้าและสาวุทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นมาตั้งแต่ครั้งพุตตการเพราะการปรฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเท่านั้นที่จะสามารถลื้อฟื้นธรรมของจริงมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้ประจักษ์จัดเพราะธรรมทั้งหลายไม่อยู่ที่ใด ใจเป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับรับรองทำได้อย่างเป็นเมตต์เป็ น, นาหนว่มผิวผ้าอากาศก็เป็นมแาาิวผ้าอากาศไปโลกก็เป็นโลกไปทำเป็นธรรมใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการรับธรรมเช่นเดียวกับเหมาะสมกับการรับกิเลสสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อธรรมนั่นแหละท่านเรียกว่าพี่ การปฏิบัติก็เพือรเพื่อถอนสิ่งที่ปกคุมหุห่มห่ออันเป็นของจอมปลอมนี้ออกจากกัน้วยทารประพฤตปฏิบัติชอบความประพฤติปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคุมหุมหอ่อจิตใจออกได้ถ้าปฏิบัติไม่ชอบอย่างไรก็ไม่ได้ไม่มีทางเพราะไม่ถู ก, ก, กคำหลักมัชิมาคาหลักมัชิมาก็คือความเหมาะสม การปฏิบัติเหมาะสมควรจะแก้พิเลศประเภทใดได้ก็แก้ได้ตามความเหมาะสมแห่งการปฏิบัติท่านจึงยกจึงเร่องสัมมาพิสุทธิ์ัมมาสังกัปปะเป็นเป็นโอปัญญาให้มีความแจ๋เฉลียวฉคิดหลายแง่หลายสันหลายคมอุบายวิธีการแก้ไขต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายแต่ผมไม่นั้นไม่ทันกับพิเรศซึ่งมีความแหลมคมอยู่มากภายในจิตใจของเรา มีธรรมะเท่านั้นที่สามารถจะปราบปรามที่เหลือได้ธรรมะเครื่องเครื่องมือที่จะปราบปรามทิเหลือก็คือสติปัญญาเป็นหลักสําคัญมากที่เดียมีเลยปฏิบัติมาเดินกําลังความสามารถไม่เห็นอันใดยิ่งไปกว่าสติปัญญามีสรทานความภาคเลี่ยนเป็นเครื่องมือหลักสติปัญญาเป็นเครื่องบุกบึกพิจารณาอะไรถ้ามีสติ มันก็รูได้ชัดมีปัญญาสอดส่องมองทะลุไปได้ไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งเห็นไปได้ยูลำหนักขั้งพุทธการกับขั้ง น, นี้มันต่างกันดังที่ว่ามันคือผู้ปฏิบัติก็กลายเป็นเรื่องพิธีไปเสียสับแต่ว่าปฏิบตัติสับแต่ว่าเรียนไม่เรียนก หวังความรู้จริงเห็นจริงเนี่ยทำแล้วประพฤติปฏิบัติตามการผู้ศึกษาเราเรียนมานั้นเพราะฉะนั้นเรียนได้มากน้อยจริงไม่กระเทือนกิเลสแม่นิดเดียวเลยหนังทะลอกกันนี่หนึ่งก็ไม่ได้ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสะสมกิเลสมากเพื่อความสําคัญของตนว่ารู้ว่าฉลาดได้เรียนอัดเรียนทำมามากนี่แหละความกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเป็นที่ตรงนี้ด้วยความสําคัญของตนเอง เทียนเพื่อจะรู้อัดรู้ทำจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นเทียนรู้ตรงไหนจุดใดบทใดบาดใดนําไปพิจิตรพิจารณานําไปไก่กองจนเห็นเหตุเห็นผลความลุกตื้นอายละเอียดแหง่งบทธรรมนั้นๆผู้นั้นแหละชื่อว่าผู้ไปยัดเพื่อปฏิบัติจริงทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดต่อต่อเนื่องกันเรื่องของปฏิบัติที่ถูกชอบจริงๆนี่ก็เป็นบาตรฐานเพื่อปฏิเวทขึ้ ควารู้แจ้งตลอดในทําโดยลําดับลาดับคำว่าวิเยติเวทธรรมนี้มันหมายถึงมันจะรู้ทีเดียวพรวดภาคให้เสร็จเลยคือรู้ไปโดยลําดับลาดับตามกําลังของสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของตนตลอดถึงความรู้แจ้งนี้จริงทั่วถึงในจิตใจนี้ไม่มีอันใดลี้ลับมันเยาวรู้ตลอดทั่วถึงผู้ปฏิบัติอย่ามองที่อื่นใด ให้นอกเนื้อไปจากใจซึ่งเป็นตัวสั่งสมกิเลสหรือเป็นโรงงานผิดกิเลสเป็นส่วนมากยิ่งกว่าจะผิดทํามให้มองดูตรงนี้อย่าไปฆ่าสถานที่นั้นที่นี้การไม่ร่ำเวลาหรือผู้ใดจะมาช่วยเราให้ตั้งอัตตาเหตุธนูนาโถเป็นที่พึ่งของตนตนนั้นแหละเป็นผู้จะถอนกิเลสเพราะการสังสมกิเลสไม่ได้มีผู้ใดมาสั่งสมให้เราเป็นคนสั่งสมเองมาตั้งแต่ไหนเมื่อเมื่อไรไม่ทราบ น, นี่เราจะคอยให้ผู้ใดมาต่อถอนกิเลสประเภทต่างๆให้เราตถาตาโรตถาคาตาพระพุทธเ จ, จ้าท่าสอนเอาไว้ตุมแห่หิจังอาตปังความเพียงเป็นเครื่องแบบเผาทิเลศในท่านทั้งหลายพึงทําเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกอุบายแนวทางเท่านั้นการทํางานเป็นนาทีของท่านทั้งหลายจะทําเองนีท่านสอนในอย่าง เราก็เป็นลูกศิษย์ถาคตประหนึง่งว่าได้รับโอวาทของพระองค์อยู่ทุกปัตด้วยจัตธรรมที่แสดงอยู่กับตนเยตังนาตังตาประพฤติปฏิบัติการจัดกิเลสประเทศต่างๆซึ่งยวนแลแัดเป็นภัยทั้งนั้นไม่มีพิเลสตัวใดที่จะเป็นคุณต่อจิตใจของคนของตนมีแต่เป็นโทษเั่านั้นมากนอา้อยก็ต่าง แล้วไม่ไม่มีใครที่จะรู้อย่างถึงจิตถึงใจเห็นโพษเห็นคุณอย่างชัดเจนเหมือนพระโพ ธ, ธิจักเหมือนพระสาวุภส า, ารท่านท่านรู้ทั้งโพษทั้งคุณของกิเลสและของธรรมท่านจึงนํามาสอนด้วยความติกต้องแน่นดังสนใครก็เมื่อต่างคนต่างมุ่งความจริงอยู่แล้วทําไมจะไม่เข้าใจและทําไมจะไม่ดูติดในธรรมที่กานสอนเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่มีรสชาติเหนือสิ่งใดในโลก ไปสร้างธรรมะโซชินาติเนี่ยรถแห่งธรรมชนะนรถทั้งปว ง, งเอามาทั้งปวงก็หมดทรมีมีรถมีชาติอย่างนั้นถ้าปฏิบัติให้มีรถมีชาติโอหมีตามีให้ดูผู้มาศึกษาอบรมอย่าคอยฟังแต่ครูบาอาจารย์จะบอกจะกล่าวแนะนำสอนสอนลึกขึ้นธรรมะหน้าโมตัสสังจะวัดเทิดผู้มาใหม่คอยดูผู้อยู่เก่า ผู้อยู่เก่าทํทำยังไงให้สังเกตดูหมูมีตามีให้ดูให้ฝังนั่นเป็นการศึกษาอยู่ในตัวครูว่าการสอนเป็นอีกอย่างเราศึกษาจากจากคณะที่ทําถูกต้องอยู่แล้วนั้นเป็นอีกอย่างเกียงข้อวัดปฏิบัติตอนเช้าตอนเย็นมีการทําอย่างไรบ้างเราอยากถือว่าเราเป็นพระอาคารตุกะ เราอย่าถือว่าเราเป็นพระแทดเราเป็นพระของพระพุทธเจ้าด้วยกันเป็นพระลูกศิทธาโคดเหมือนกันหน้าที่การงานข้อวัดปฏิบัติเป็นหน้าที่เราจะต้องทำเพื่อการจัดกิเลสด้วยกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันท่านการมาศึกษาให้ศึกษาดีๆตั้งนาต่งตางๆประพฤติปฏิบัติทั้งกิจภายนอกทั้งงานภายใ น, นคือจิตตะภาวนา ทําให้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเรื่องมรรคผลนิพพานจะพ้นอํานาจของความเพียร น, นี้ไปไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดๆต้องมรรคผลนิพพานต้องปรากฏขึ้นได้เพราะความเพียรของผู้ไม่ท้อถอยการพึกหัดอบรมภาวนาผู้เริ่มต้นยังไม่เข้าใจในยุ่งภาวนา เราสังเกตบทธรรมบทต่างๆที่เรียกว่ากรรมฐ า, านฐานที่ตั้งแทำ ง, งานคืออะไรสอนเจสาโรมาลรมานะะาขาทันตาตะโจตั้งแต่วันบรรพชาทั้งหมดมานั้นมีความหมายอย่างไรโลกนี้ติดผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้เป็นสําคัญท่านถึงสอนต้องผมเรื่องขนต้องเล็บเรื่องฟันมันมีรุปพันธ์ทังฐานมี ของที่น่ารักน่าจับใจที่ตรงไหนนอกจากเป็นของประเพณีโลกธรรมาชาติข้งมันแลนน้ลวเท่นั้นบางท่านไปถึงหนังคนเราเมื่อมันมีหนังแล้วดูกันไม่ได้หาความสวยงามไมา่มีเลยแล้วผู้หญิงผู้ชายจะเป็นช า, าตาิช่านมแบบไหนก็ตามคนเราเมื่อไม่มีหนังแล้วดูกันไม่ได้น่ะท่านสอนไปเพียงหนังเพราะเวลานั้นเป็นเวลาที่จำเพาะซึ่งไม่ควรจะสอนอะมากมายแต่อย่างไรก็าตาม แต่โจนั้นหนังครอบหมดในอาการสามสิบสองถ้าหลกหนังออกลงดูสิคนดูได้ไหมดูไม่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเล่งมองดูแล้วเป็นความปฏิกูลหน้าเบียดหน้าเบื่อหน้าหนาเสียทั้งหมดที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุ้มหองนั้นเงหลงผิวบางๆเท่ากระดาษนี่เท่าใบรานมันก็ไม่ได้แเราจะเราโง่ขนาดไหนมนุษก็รู้อยู่แล้วว่าผิวบางๆตอานั้นเป็นเรื่องหลอกตาก็ยังเชื่อ ข้าวบ้านานั้นเป็นปูโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนอ ง, นองเต็มไปหมดด้วยของปร ฏ, ปฏิปุนุปปาชาผีดิเราพิจารณาอย่างนี้ทั้งครับพิจารณาเข้าพิจารณาออกไร้กรล่ลทบทวนทำไมจะไม่เข้าใจตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่เป็นปจัจจัยในแต่ละบุคคลบุคคลพิจารณาอย่างนี้ดังนั้น พุทธิจะกรปราชายขยายออกไปถึงอาการสานที่สองการใดก็แล้วแต่ความถนัดในขณะที่ภาวนาให้กําหนดจะ ก, กําหนดพุโทโธเป็นคําบริกรรมทำโมสังโฆก็ได้เวลาจะกําหนดอนาปานสติที่ลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่ากันเป็นด้างจมูกสัมผัสลมสัมผัสมากกว่ากันก็ให้ตั้งความรู้ไว้ที่นั้นตั้งสติไว้ที่ตรงนั้น ให้รู้เวลาลมผ่านเข้าผ่านออกรู้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปขาดไปหมายถึงเร่องมรรคผลที่ผ่านใดๆนอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยู่ในเวลานักเรียกว่าในวงปัจจุบันยิดเมื่ออาศัยสติคอยควบคุมให้ทํางานอยู่เสมอก็ไม่สาดแสบไปในที่อื่นยอมตั้งหน้าทําการทํางานแล้วก็จะเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อเป็นความสงบขึ้นมาแล้วความสบาย เย็นไม่ต้องพูดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ต้องปรากฏขึ้นจากความสงบนี้ก่อน อ, อุดขอให้พากันพินิจพิจารณาอนะไ้ทรงมักทรงผลอย่าให้ยินแต่ข่าวว่าข้างพุทธการองค์นั้นสาเร็จอยู่ที่นั่นสมเด็จพระโสดาสกิธานาคาอรหันอยู่ที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นอยู่ในเขาลูกนั้นองนั้นอยู่ในป่านั้นแล้วข่าวเรา ไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งเต็มตัวเพราะความเพียรไม่เป็นภาพศรัทธาไม่มีผลประโยชน์จะเกิดขึ้นได้อย่างไงก็เลยมีแต่ศาสนา ข, า ข, าข่าวฟังแต่ข่าวคนอื่นข่าวของตัวไม่มมมไมได้เรื่องฟังแต่ข่าวท่านไปสวรรค์มีพานกันข่าวเรามีแต่จมอยู่กบนรกคือความรุ่มร้อนของใจตลอดเวลาเความรุ่มร้อนแหม แต่เป็นขึ้นมานหน่อยมันก็ยังเป็นความทุกข์ไม่ใช่น้อนเพราะที่จะไปที่นอนแต่ได้อย่างไรพกันริยสงาถ้าการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็ยังมี คือมาผลนิพพานนั้นจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมี่เทนั้นไม่ถึงกับการสถานที่ใดเป็นสําคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติแต่สถานที่ที่บําเพ็ญ น, นั้นย่อมอำนวยความสะดวกให้แก่การบําเพ็ญได้ดังพระพุทธเจ้าทรงสองลลนนั้ลุกขมูลเส้นนาสนมชาญประพฤติาตเสยาววังชาหูกาอยู่โน้นล่มไม้ชายเขาลุกขมลูลในป่า ก็หงุดหงิดเขาที่ตรงไหนเป็นที่สะดวกสบายแก่การประกอบความเพียรขอให้เธอทั้งหลายไปอยู่ในฐานที่นั้นไม่ปุกบต้านหุ่นวายสะดวกแก่การเพิ่มเพียรนักคือเป็นเครื่องสนับสนุนความเพียรของเราได้ดีแต่อย่าลืมว่ากิเลส น, น, นั้นอยู่ภายในจิตใจไปยืนในปา่าถ้าความเพียรไม่มีสติไม่เป็นท่าก็เหมือนกับกระรอกกระแตที่เขาอยู่ในปา่าก็มีเห็นวิเศษวิโสอันใด พระพุทธาทรงสอนนี้เพื่อสนับสนุนถึงเรื่องความเพียรขอ ง, งหลักที่ดีอยู่แล้วให้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไปอำนวยความสะดวกมากขึ้นจนถึงขั้นบรรลุได้ในธรรมขั้นต่างๆเพื่อสร้างถึงอ า, าหาตัตผลสดสดร้อนร้อนอยู่กับธรรมของพระพาบรรดานมาผลนิพานไม่อยู่ในที่อื่นใดดูด้วยกันกับธรรมของพระพุทธเจ้าคื อ, ส, อ, อส่วนขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วขอให้ปฏิบัติให้ชอบเถอด เรื่อรัผลนิพพานไม่มีผู้อื่นใดที่จะมีอํานาจวาสนามากิด ก, กันหวงห้ามไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นได้รับผลเป็นที่พึงจัจนอกจากที่เลสภายในหัวใจของเราเท่านั้นมันกั้นกลางไม่ให้เรารู้เราเห็นผลนิพพานได้เพราะเราเชื่อมันเราลืมตัวเราหลงมันกลมายาข้างมันมีมากกิเลสต่ทำความภัพเปลี่ยนเรืเร่ๆน้อยมันก็แสดงอุปสรรคกีดขวางเข้ามาเสียทําให้ ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกลัวแต่จ ะ, จะล้มจะตายกลัวยังไม่หลับไม่นอนกลัวจะเป็นความลําบากึงลง่มแล้วตั้งแต่เป็นคนมายาของกิลกเลสเลยไม่เป็นท่าเป็นทานทีนี้เราก็กอดกรรมฐานนี้เฉิงเกียรสายเรามานะขาตาตัโจอยู่ในตัวของเราเราก็พานั่งนอนนั่งนอนทับนั่งทับอยู่นั้นไม่ได้เลือกอะไรจากกรรมฐานตามที่ท่านสอนไว้ ห้ำพุนิพานก็จะเกิดขึ้นจากการพิจารณา้แจริตริงจนในสมัยนี้แล้วก็ไม่เกิดได้เพราะเราไม่รู้้าเป็นองร์รัชจันมากไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกนี้เลวก็เลวมากถ้ากิเลสพระให้เป็นในทางที่เลว นี่ยไม่ได้ทำจิตใจให้มีคุณค่านอกไปกับทาให้เสิ่มคุณภาพของใจลงไปโดยลำดับทําเท่านั้นเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมกิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงมีคุณค่าอย่เต็มภูมิดังนั้นเราไม่ได si ้มุ่งมหาธีเรศไม่มุ่งมาทำลายจิตใจของตนให้ลดคุณค่าลงไปเรามุ่งเพื่ออัดเพื่อทําเพื่อการส่งเสริมกิตใจให้มีคุณค่าขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณค่า ต่างหากปัจจัยนั้นจึงเห็นความสำคัญของความภาคเพียดอย่าลดละอย่าท้อถอยหนึ่งป่าช่ามีอยู่ทุกแห่งทุกผลใครเกิดมาหนึ่งป่าช่ามันมาพร้อมไม่ไปที่ไหนเกิดตัวไหนตัวเกิดตัวนั่งตัวตายนี่ยตัวนั่งตัวคําขาดชะลาตัวนั่นตัวทุกตัวลาบากมันอยู่ที่นันหมดมัอยู่ที่อื่นพอที่เราจะไปขาดนุ่งขาดนี้ตายที่นู่นตายที่นีั้งปีทั้งนี้เดือนมันอยู่กับลมหายใจ เมื่อลมหายใจหมดไปแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชายชาท่านาาาว่านั้นใดไม่นิยมจะสร้างศีลสัตว์ตายได้ทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแล้วเหตุ น, นี้ลมมีอยู่รู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนยิ่งมีหน้ำซ้ำอะไรยังเป็นพระมีหน้าที่การงานอันเดียวคือการพึ่ปฏิบัติกรรมจัดพิเรโตจากภารจิตใจโดยไม่ต้องมุ่งเดี๋ยวมุ่งมาแต่มาใดใดเลยควรที่เราจะได้ขมักขมนั้นในงานของเราให้ถึงไเป็นหน่วยเห็นเหตุเห็นผลภารกิจใจ ได้ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานดังขั้งพุทธการท่านทรงเพราะพ่อปฏิบัติอันดีอันงามสุปฏิอุชุญญายาสามิจิปฏิปันุนี่แหละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหัวหน้าท่งานจะไปบริษัทอ า, านณ์อัฐพุทธคุคลาคู่บ ร, รูษีเป็นบุรุษบุคคลแปลดก็มาถึงคนคนเดียวนั่นแหละจะเป็นผู้ส่งมรรคผลถึงนิพพานได้ เฮาสาวพรโตูสาพวสาพคครัสงโคนั่นแหละคือสาวกบันแท้จริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงเขาว่าไว้ยางงั้นมันฉะสาวโบกรองสาวอกบอันแท้จริงมาตามจะจะาั้งใจปฏิบัติวันนี้ปูเุเปลี่ยนใจนี้ก่อนให้ท่านพญายาธิบายเพิ่มเติมตมัได้